การตบะกันก็ <c oughs> เรากำลังศึกษาเรากำลังปฏิบัติอพื่เรื่องงานเรื่องการที่เราทำอยู่นี่แหละเพื่อให้เป็นส่วนประกอบับการศึกษาปฏิบัติ แผนที่ให้ดูเหมือนว่าอย่างนั้นก็การปฏิบัติเนี่ยมันก็มีแผนที่ในแผนที่มันก็มีอะไรอยู่ทุกๆตารางนิ้วตารางวาตารางเมตรแมแผนที่ประเทศไทยถนนทางเราผ่านไปไหนก็เจออนนและนี้ บา <c oughs> งทีก็จราจรติดขัดไปไม่ได้เสียเวลาในการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางทีก็มีโอกาสติดขัดบ้างนี่อะไรที่มันขวงกันเอาไว้มีอะไร ท, ทำให้หลงมีเสน่ห์มีอสาราะทำให้มัวเมา เหมือนสินใจตามอาที่กลุ่มพันพาอานี้ไปลักพาไปไปเจอจินนารีจินานารลนสาวงามสินใจก็สองสีงหัวสังทองก็จะเชื่อพาราศีหลงไปเจอ งูสวง่งมูว่งก็พ่นพิษเอาถูกงูสว่งพ่นพิษก็เลือนตาไม่ขึ้นง่วงอหอนอนมักจะไม่ไปจะนอนเช่ก่อนไปเจอน้ามกัดเหล็กกัดทองข้ามไม่ได้เอามีดดาบจอลงไปมีดดาบก็ขาดไปเจอช่าง ซอนอปาอนเงี่ยงโบรา่ขวางเอาไว้ไปไม่ได้ก็มีแต่ว่าสินใจก็ไม่ทอถอยเมือ่อสินใจไปไม่ได้ก็เรียกหาเสีหูสีหูก็มาช่วยสังทองก็มาช่วยันิชฌก็ผ่านได้ทุกทุกทุทุก แดนที่ขวงกันถ้าเรามาปฏิบัติเปรียบเทียบกับเรื่องอย่างนี้ก็คือสินสมาธิปัญญาเองสินก็คือสินใจสีหูคือสมาธิสังทองคือปัญญาสามอย่างเนี่ยมาเป็นพลังเป็นจักรแข็งทมขับเคลื่อนปาไป ได้เหมือนกันมีเยอะๆแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันก็มีสิ่งที่พบเห็นของจริงก็มีของไม่จริงก็มีไม่ใช่ว่าเราจะเลือกเลยของจริงของไม่จริงก็มีมาแต่เราก็เห็นเาเป็นปัญญาโดยเพราะการปฏิบัติเนี่ยให้เห็นรูปเห็นนามเป็น หลักฐานเอาหลักฐานไปก่อนเมื่อได้หลักฐานแล้วก็ตามได้เหมือนที่ภาคสาตุลาการทานายความเวลาจะาทำเรื่องไรก็ต้องหาหาหลักฐานไม่ใช่เขาจะาความอาคติ ลำเบียงเพราะลักลำเบียงเพราะยาอทอะไรไม่มีหาหลักฐานให้แม่นยำมันจึง ม, มีอะไรที่มันได้ของจริงออกมาพิพากษาตุลาการก็คือสติสัมปชัญญะเนี่ยมันเห็นเห็นหลักฐานและเห็นหลักฐานรูปนะรูปนามเออถ้าได้หลักฐานแน่แ มันก็เกิดอยู่ที่อะไรก็ตามดูมันแต่บางอย่างมันมันไม่จริงบางอย่างก็จริงจริงแบบไม่จริงจริงแบบไม่จริงจริงไงเช่นควาไม่เที่ยงมันก็จริงอยู่แต่มันไม่จริงไม่จริงควาเที่ยงมันก็ยิงแสงเมื่อเราเห็นมันก็มีอยู่ควาไม่เที่ยงอยู่กับรูปอยู่กับนามอยู่กับนาม อย่างเราสวดขี้เนี่ยย่อมเราทิ้งในสิ่งทั้งพวงไปมีจริงอยู่ของเราก็มีรถของเราบ้านของเราเรือนของเราบุตรปัญญาสามีของเราจริงมีหลักฐานเราไปใช่นี่ตามตัวบดกฎหมายแต่มันจริงแบบไม่จริงอ่ามันจริงแบบไม่จริงไม่ได้ติดตัวไปสักหน่อยแล้วก็เปลี่ยนการใช้เปลี่ยนเจ้าของใช้ เปลี่ยนเจ้าของใช่ไปบริสุทธิ์บางทีไปไม่ถึงไหนก็หมดแล้วถ้าถ้าเราบริหารไม่เป็นชีวิตของเราก็เหมือนกันมาเจอแต่ของไม่จริงหลงแต่ของไม่จริงไปตู้เอาไปยึดไว้แล้วก็เหมือนกับเราดึง รถที่มันจะวิ่งอยู่แล้วดึงเท่าไหร่มันก็มาอยู่เราล้วก็เจ็บปวดไปเป่าความแฉ่ความเจ็บความตายความพัสสาวะจากของรักของเก็บใจปัสนาวสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแช่นใจแล้วก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเราไปยึดไว้ว่าเป็นเราว่าเป็นของเรา มองเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วโอ้ยกระบวนการแห่งการลื้อถอนเนี่ยมันเกิดขึ้นอิงอาศัยได้อะไรที่มันเป็นรูปมันก็เป็นรูปจริงจริงรูปนี่มันมีอยู่จริงแต่มันไม่จริงมันมีที่มันก็เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปมันไหลไปของมันมันมีอยู่แต่เอารูปเนี่ยทำไงเราจรงจะได้ประโยชน์จากมันเอารูปมาทำ ความดีเอารูปมาละความชั่วเอานามมาละความดีเอานามมาเอานามมาละความชั่วเอานามมาละความดีอาศัยรูปเนี่ยเอาน้ำมาเป็นมรรคเป็นผลเอารูปมาเป็นมรรคเป็นผลอย่าเอานามไปเป็นอบายภูมิเป็นเปรตเป็นสิลกายเป็นเสน่ห์โลกเป็นเดชฌานนันก็มีเหมือนกันนะน้ำมันภพภูมิของนามภพภูมิของนามนั่นก็มีนะ ภพภูมิของลูกผมก็มีมันเกิดอะไรล่ะมันเกิดอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดอะไรเกิดอุปทานเกิดความโกรธเกิดความทุกข์เกิดความร้อนเกิดความหนาวเกิดความหิ้วเกิดตื่นยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวอันนี้มันก็อาศัยนั้นเป็นปัจจัยที่มันมีอยู่กับรูกรูป มันมันไม่มีอย่างนี้ก็เจ็บหายอรูปมันเจ็บหายเพราะเพราะดินฝ้าอากาศเพราะร้อนเพราะหนาวเพราะวันเวลาเจ็บหายถึงกับใช่รูปไม่เป็ น, เ ก, นกเกิดโรคเกิดโทษเกิดภัยต่างๆแบรูปเนี่ยเห็นมันแล้วมันบอกเราโอ้ยมันบอกเราเหมือนกับใกล้ ใก้พานําเที่ยวแต่ว่าใกใกล้บางทีก็ไม่รู้เท่ากับเราได้หลักฐา น, นยอย่างหลวงพ่อไปเที่ยวประเทศพม่าเนี่ยเราได้หลักฐานแล้วคนขับรถเนี่ยพาเราไปไม่ถูกบอกว่าไปไม่ถูกเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยจากนี่ไปนี่จากนี่จากเสวเวลาของไปนี่ไปนี่ไปนี่แล้วก็ไปไปได้เราได้หลักฐาน ขี้มันไปขี้มันไปบางทีเราก็อาใจอย่างนี้เลยเรียกว่าศินใจสีหงส์สังทองมาช่วยกันในศินเวลาใดที่มันจะวันไวงอนแน่นก้อนเดียก็ไม่สินตักแต้นเหมือนก้อนหินศินมาจากคาว่าศิลาศีลาสีลาสีลาสีลาแปลว่าศินศีลามันคืออะไรสีลามันคือก้อนหิน ก็นหิน น, มนม่มันไม่มันไม่ปิวหรอกมันหนักแต้มไม่เหมือนนุ่นนี่ินนะสะัสงอาทิมันก็คมถ้าเหมือนกับมีดมีคมมีน้ำหนักมีดคมแต่ว่าไม่มีน้ำหนักจากมีดโกนเนี่ยมีดโกนผมของพระน่คมจริงๆนะเอามาโกนผมไม่รู้สึกเลยหวานจ่อยไปเลยนะ แต่มันตัดเลยไม่ได้มันคมเฉยๆมันมีน้ำหนักอะไรไม่เหมือนมีประโตอลองพอจนมีประโตอลองควอนนะอ้อเอาโกนผม ไ, มได้แต่ว่ามันตัดไม่ได้ไ ม, มีน้ำหนักอ่นี่ศีลมันต้องมีทั้งน้ำหนักมีทั้งคมอ่าสมาธิมีทั้งคม ม, ม, งค ม, มีทั้งที่ยืนเหมือนเราไม่มีที่ยืนจะไปตัดไม้ตัดไม่ได้ เราจะไปโคน ต, ต้นไม้ไม่มีที่ยืนนั่นก็ตัดไม้ไม่ร่มไปยืนลอยอกาอยู่ไม่ได้ไปยืนขาเดียวมันก็ตัดไปร่มหนไม่มีแรงต้องยืนถ้าถ้าเวียงอาศัยแรงถ้าเวียงไปไม่ใช่เดินไม่กระดุกกระดิกเวียงไปนี่นและ ว, ว่ามีที่ยืนหนักแน่นมีคมเรียกว่าสมาธิ สมาธิไม่อ่าอไม่ไม่งอแง่คอ น, นคเสียนตไม่งอแน่คอนเสีนต์กับอะไรตัดได้มันคิดคือมาหลงเธอก็ตัดไปเป็นตัวรูกไปไม่ไม่ตู้ไม่บู้ไม่ไม่อืดสบาธิข้องเหมือนมีดคมคม มีตหลวงพนะ่อนะเมตวัดตื่นอาจจะไม่คมเหมือนมีตวัดสุก โ, โตนะคนเขาว่ามีตวัดก็ว่าจบวัดเสียบวัดอะไรก็ของขี่ไล่ขี่ไล่ของเร็วๆเป็นของวัดทั้งหมดแต่ว่าสุกโตเนี่ยเมตมาดูก็ได้จอบมาดูเสียบหม่แต่เป็นของหลวงพ่อนะของคนอื่นอาจจะไม่ดีขุดไม่ได้นะหลวงพ่อเปนคม เวลาคนเอาไปเชื่อเราลักเข้าไปก็มีมั้นปีที่แล้วเนี่เสียไปเริ่มหนึ่งาหาหมาก็ไม่เจ อ, อหายไปเลยนี่ก็คือเครื่องมือของเราในการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเครื่องมือของเราต้องอย่าไปจนนะมันเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปเห็นนามเหม็นดวงตามันได้หลักได้ฐาน อะไรที่มันเกิด อ, อยู่กับรูปเนี่ยโอ้ยเยอะแยะเลยคนผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อเห็นรูปเห็นนามแล้วก็อย่าไปรูปไปคำอยู่ดูจี้ให้มันเป็นโฟกัสโฟกัสโฟ ก, โฟกอะไรเนี <c> ่ย <oughs> มันจี้เข้าไปนอจี้เข้าไปเห็นมันเปิดด อ, อกอเปิดด อ, อกเช่นหลวงพ่อเทียนมักจะบอกว่าเมื่อเห็นรูป เห็นนามแล้วดูทุกนะบางทีแม่ไม่อยากดูทุกมันเพลินอยู่กับรูปทำนามทำมันน้ยไม่มีใครสอนในรูปเรื่องนี้เกิดมาพ่อก็ไม่สอนแม่ก็ไม่สอนทำไงหลวงพ่อเถียนยิงเคสลาดสอนให้เรารู้รูปด้วนามมาลำพิงอยู่ตรงนีอ่าจนเรสิร์ฟคำสอนพระเจ้ารักพระพุทธเจ้ารั ก, ก เขาทำลักพระสงฆ์เมื่อเห็นรูปเห็นนาะท่านอยู่ตรงนี้ท่านดูตรงนี้ท่านเห็นดันนี้ท่านยังเป็นปฏิบัติดีปฏิบัติรตรงปฏิบัติออกจยากทุกข์ปฏิบัติสมควรนะให <Right. S 1> ้ให้เห็นทุกข์หลวงพ่เทียนบอกให้เห็นทุกข์นะให้เห็นมันทุกข์ทุกข์อะไรทุกข์ของรูปดูก่อนทุกข์ของลมโอ้ยมันมาดูทุกข์ตนนี่ะ รู้สึกว่ามันสะดวกสดานกับการเห็นทุกข์กับการดับทุกข์กับการมีทุกข์แต่ที่ความทุกข์จะเป็นความทุกข์แต่ความทุกข์มันสนุกไปเลยน้ำตาไหลก็สนุกนะคนน้ำตาล่วงหน่อยไ ม, ไม่ไม่ใช่เศร้าโศกน้ำตาล่วงหน่ยความอิ่มใจความปลื้มใจมันก็มีบางกันนะ้นำตาล่วงมีสองแบบใช่ไหมนะคิดน่อย ทั้องอยู่บางทีงททใจก็ดำตาไหลมาละอน้ำตาไหลบางทีเสียใจก็ดำตาร่วงกันนะเห็นทุกมันสนุกอ่ะมันสนุกจริงๆอ่ะความทุกข์เน่ยโอ้ยอแต่ก่อนก็ทำโน่นทํานี่นาะสงสารลูปไม่มีใครช่วยรูปเลยเรามาเกิดมาสามสีปีปล่อยปะละเลยต่อรูปต่อหนาะไม่มีใครช่วยมันะ มันลบพล้นมาได้ยังไง30สิบ ป, ปีมันลบมาได้ยังไงสงสารลูกสงสารพ่อสงสารแม่สงสารทุกคนเลยสงสารลูกเห็นคนกินหมากเห็นคนจุบุรีเห็นคนกินเหล้าเห็นคนโกรธคนโลภคนทุกคนพูดที่มันเป็นการเบียดเบียนตนคิดที่เป็นการเบียดเบียนตนทำที่เป็นการเบียนก็สงสาร เห็นคนชั่วแทนที่จะโกรธเขาสงสารเขาเขาไม่รู้ของทำนั้นเห็นคนดีแทนที่สเสริเสริญเขาเขามีคุณธรรมเขารู้อย่งนี้เขาจึงดีได้มันเนื่องด้วยกันอย่างเท่า่วไมีเจ้าผู้ใดเห็นธรนมปปรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าผู้นั้นเห็นธรรมปฏิจจสมุปบาทคือของเนื่องด้วยกัน ของที่มันเนื่องด้วยกันมันจะทุกข์มันไม่ทุกข์ลอยๆมันต้องมีอะไรมาเนื่องมาก่อนจึงมาถึงทุกข์มันเนื่องด้วยกันปฏิจจสมบาติคืออะไรถ้าจะว่าเป็นภาษ า, าวิชาการก็เพราะอวิชชาไม่รู้จึงเกิดสังขารสังขารก็ให้เกิดนามลูก นามรูปก่อให้เกิดยตนายตนะก่อให้เกิดผัสสะผัสสะก่อให้เกิดเวทนาเวทนาก่อให้เกิดตัณหาอุปาทานอุปาทานก่อให้เกิดพบเกิดชาติเมื่อมีพบชาติเขาก็มีชะลามรณะเมื่อมีชะลามรณะก็มีโสกปีพอทุกไนน์ไงก่อนน้าโอ้ก่ อ, อกที่มันจะถึงทุกข์เหมือนเมอะไรมันมีเห็นมันเห็นนะเดนพอเห็นแล้วก็ ไล่ลงมาเรียกว่าอนุโลมปฏิลมกลับมาไปแล้วมันพาไปมันพาไปหมดกลับมาเพราะวิชาจึงดับสังขารได้เพราะสังขารจรึงดับนามลูกเปลี่ยนสังขารไม่มีสังขารนามลูกก็ไม่มีนามรูกไม่มีามมมอายะตนะก็ไม่มีอายะตนะไม่มีผัสจะก็ไม่มี มีแต่ว่ามันเป็นจัตติ์ว่าพระจัไม่เมื่อพระจามีก็ไม่มีเวทนาเมื่อเวทนาไม่มีก็มีตัณหาตัณหาไม่มีก็ไม่มีอุปทานอุปทานไม่มีก็ไม่มีพบไม่มีชาติไม่มีชรลามระไม่มีทุกข์อ้าวสบายเลยไปไหนเหมือนเราหลวงพ่อเทียนบอกปีหมือนกัดไปดึงทางหนึ่งมันติดทางหนึ่ง เคยเอาปิงอ่ะปิงกัดดึงออกมันติดปากหนึ่งปปดึงปากนี่มันติดปากนีกนกนกนก่แล้วก็เสียเวลาเอาปิงออกเวลาปิงกัดมันเหนียวบางทีเอาไม้มาขูดผมก็ไม่ออกติดแล้วทำไงเราพ็เดียนมาว่าเอายาฉุนเอายาฉุนเน่ยถ้าใครสูบบุหรี่ก็เอาออกมามันก็มีประโยชน์เมอกันนะ <c oughs> เอายาชุนเนี่ยมา เราใส่น้ําแล้วก็บีบบีบน้ําที่ได้จากยามันไหลลงไปสุปากหลุดไปเลยไม่ต้องไปดึงมันเพราะมันไม่ถูกกันเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างเพราะอวิชามันจึงเหมือนมีป่าเพราะมีป่าจึงมีเสือเพราะมีเสือจึงมันดุเพราะมันเสือมันดุมันจึงกัดคนป่าของเราป่าของเราคืออวิชา มีในชีวิตของเราเนี่ยอวิชาเป็นป่าวิชาคือคือโล่งแล้วเพราะฉะนั้นเอวิชาคืออะไรคือความหลงอ้าววิชาคืออะไรคือความรู้ถานป่าที่ถังป่ า, า, ปารู้มากๆป่ามันก็หมดไปหมดไปหมดไปมันก็มีเท่านี้นะเนื่องด้วยกันตรงนี้พอเห็นทุกเห็นอะไรมันเนื่องด้วยกันไปหมดเลย อย่างพวกพูดรัมืวลก่อนว่าปัจจจการสามสามลักษณะเห็นทุกไม่เห็นอันหนึ่งเห็นแล้วเหมือนเราเห็นงูเห็นงูแล้วอันชูคออยู่อนชีนวลชีนวลเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยนะเปะกปะไปทางไหนซุกซุกเชกดเ ช, ช, ช, ช, ช็เหมือนคนไม่มี ขาดจิีมากๆเขามาแ่วนี้เป็นป่ายะขาเนี่ยยะขาทั่วหัวนะก็ะเดินมาเจองูจงางมันมันตกใจอ้ชูคอขึ้นท่วมหัวกีนวนนี่ไม่มีทางไปก็ดั้งนบมือนบมือนบมืองูงูก็ลรพุทธมาลงกลับไปเข้าป่าไป เนี่ยคนไม่มีสติมันมีป่ามันจริงมีงูเราอยู่ป่าเนี่ยก็มีอะไรเยอะย่างมีงูมีสัตว์จาราชิงของมีพิษของมีโทษของมีประโยชน์ะไปเลยใช่ป่าเป็นประโยชน์ใจใช้ป่าเพื่อโง่เขาบางทีหลวงพ่อพูดหลวงกวนว่าอยู่ป่าเพราะโง่อยู่ป่าเพราะขี้เกียดมาลี่รี่อยู่ นีก็มีเหมือนกันนะเพราะนั่นป่าเนี่ยมันทำให้เราได้ประโยชน์จากมันอวิชชาตัวเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันเป็นป่าเป็นดงที่มีในชีวิตของเราไม่เสือโบราท่านท่านพูดเป็นก่อนว่าณนะที่ใดมีป่ายาประมาทเสืออุบาทมีอยู่คู่สถาน คอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันบานใครเดินผ่านไม่ระวังมีหวังตายย่านว่าอะไรย่านว่าแก่อนออนี่หลวงพ่อเขียนอะไรกันเขียนอะไรพอหลวงพ่อเขียนว่าคนกังวลว่าโอ้ยมีเสือหรือนี่ว่าทีวัด่ามีเสือมันไม่ใช่เสือนั่นเสือเนียน่ยณที่นี่เตียบเสือเหมือนตันหาอาวิชาคว้ามไม่รู้พาหลงไหลอ่าอ่ะมันไม่รู้มันหลงไหลไป วิชาความรูปภายลงไหลแม่เสืองามตันหาพมนักไหนความทเทยทะยานตอนเมื่อไรข้าเสือได้สบายเอยข้าเสือได้สบายเยพราะอะไรมันยังจับนะเพราะเรารู้มีมีวิชามีวิชาคือมีความรู้สึกตัวเน่ยพออาจารย์พันพูดแบบแบบประกอบเฉยๆตัวหลักจริงๆก็คือรูปทมน้รทม เมื่อรูปทำน้ำทำล้นล้วนมันจะบอกเรามันจะบอกเราอย่าไปหามันว่าแต่เราจะดูทุกข์มันใช้ให้เรานะดูทุกข์เห็นทางรูปก็เห็นทางน้ำก็เห็นแย่ยไปหมดเลยอันตาล่วงนะตอนเห็นทุกข์นะ่สงสารรูปสงสารน้ำพ่อก็ไม่เคยสอนแม่ก็ไม่เคยสอนแต่ก่อนก็สุบุรี่ สุโรีไม่ได้ชื่อนะสมัยก่อนเนี่ยคนชื่อไม้เวลาเป็นหมอไปรักษาคนป่วยเนะี่ยเขาเห็นเราสูบบุหรีเก็ตทองสายผลนะแต่ก่อนเนะ่ยสารพิษสูบไม่ได้มันเมาเกตทองเนี่ยไม่เมาใช่ไหมมีไหมจักวั น, นไม่มีเนาะสมัยก่อนมันมีเกตทองสายผลนะ เ, เขาก็ชื่อมาให้เวลาเราไปรักษาเขาเขาก็ซื้อให้อามอางเห็นทุกเนี่ยโอ๊ยไม่ได้อดเลยพอดีมันหลุดไปเลยกต่ทุกข์กเถือนความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงความวิตกความวลนที่เป็นทุกทุกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไปเพื่อามดับทุกข์จริงๆปฏิบัตเิเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปริธิบาน นี่ผ่านแล้วโบดีมันตายไปแล้วสี่สิกว่าปีแล้วตายไม่คืนมาเลยไม่มีกลิ่นอะไรม่มีซากศพอะไรเลยตายไปแล้วเย็นแล้วบางทีเอา้าความกรธก็ตายไปด้วยกิเลสนะก็ตายไปเราก็มีนะถ้าเราทํำไปมาจะเป็นอะไรมันก็เป็นพ้นภัยไม่มีภัยแล้วเนะนี่ยทุก เพรเห็นอะไรเห็นทุกเห็นอะไรต่างๆมันก็กลามไปเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นวัตถุเห็นอาการที่มันต่อเนื่องกันเพราะมีตาไม่แม่ถูกเพราะมีรูปมันเป็นวัตถุมันก็เห็นเมื่อตากระทบกับรูปมันก็มีอาการเกิดการเห็นเช่นหลวงพ่อนั่งเนี่ยองไปเนี่ก็เห็นไม่ชี้ตรงอยู่เห็นไม่ชี้น้อยเห็นชี้โกง พราะมีตามีลูกอาการมีมารองรับอาการอะไรอาการของตาก็เกิดการเห็นพอมีอาการเห็นสมมุติเข้าไปรองรับเออขี้ต้องอยู่นี่สวยนะขี้น้อยไม่สวยสมมุติบัญญัติเข้ามาแล้วเมื่อมีสมมุติบัญญัติมีอุปทานยึดด้วย เ, เราชอบเพราะนี่เราไม่ชอบเพานั่นเมื่ออุปทานยึดด้วยเกิเอาใจงานบปชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจ ก็เกิดแไปทุกเป็นพบเป็นชาติตายไปอีกความรักก็ตายไปความโกรธก็ตายไปไม่มีใครโกรธจนตายไม่มีใครรักจนไม่ันก็มีโอกาสที่ความรักอ า, อาจจะกลายเป็นความเกลียดชังก็ได้ความเกลียดชังก็อาจจะกลายเป็นความเมตตาสงสารเราไปหลงมเพราะเราไม่รู้แต่ก่อนบัดนี้เรามารู้ กายละหูตาเบกายจิ ต, ตะละหูตาเบกิตนะพอเห็นสมมติเห็นมายา ต, ตรงนี้หลวงพ่อว่าประตูธรรมนะเข้าแดนประตูธรรมนะเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกรรมงาเห็นกรรมนี่จับได้เลยกรรมคือการกระทากุศลละกรรมอกุศลละกรรม ถ้าเราไม่พูดความชั่วเราไปทําความชั่วเราไปคิดความชั่วมันจะเป็นยังไงถ้าเราทําความชั่วคิดชั่วพูดชั่วมันจะเป็นยังไงคำตนนัวนี้แน่นอนที่สุดแต่ก่อนนี้ค <c oughs> าถาคมสมบูรณ์ปัญญัติมากมายพอมาเห็นคำตัว น, นี้ขึ้นมาโอ้มันอยู่กับเรานะมันไม่ใช่เราดีเพราะคาถามันไม่ใช่เราดีเพราะตัวเรามันดีเพราะ การกระทําของเรามันดีเพราะการกระทาของเราเชื่อมั่นในการกระทําของตอนเองมาลู่เรื่องกรรมนี่ยหอตัวล้ววันปะตู้ทแล้วนะลวนะันถ้าจะเป็นพระก็เกิดเป็นพระตรงนี้ได้นะเป็นพระอดีตบุคคลน้อยๆเข้นมานะล่วงพ้นภาวะเก่าจา ก, กิจที่มันเคย ดุไลข้าวเหล้าหลงรวยมอมมันไม่หลงไม่ไหลตรงไหนที่มันหลงมันเป็นปัญญาตรงไหนที่มันทุกข์มันเป็นปัญญาตรงไหนที่มันสุกมันเป็นปัญญามันก็ค้นเถอะถ้ามันรู้อย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันรู้เห็นไม่ใช่รู้จำมันรู้เห็นมันพบเห็นเข้าอย่างนี้ปฏิบัติธรรมอันนี้พูดจะไป อย่าไปลำดับกับตัวเองทำไปผู้ที่ทำอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากรู้อย่าไ ป, อย า, อ, ยาไปอยากเห็นหลวงพ่อเทียนผู้อย่างนี้โอ้ยเราไม่รู้แล้วชาตนี่เราคงไม่รู้เหมือนหลวงพ่อแล้วคิดจังนะคอยชิดอยู่ตรงนั้นซอนคิดอยู่ตรงนั้นเอา้าเราก็มาทำโอ้หลวงพ่อพูดหลวงจิงไหนที่หลวงพ่อเทียนพูดไปเราไปรู้เอาทิ้งไปเลยไม่ต้องสนใจเรามาทำของเราโยมือรู้จักตัวรู้จักตัว รู้สึกตัวคนดืินมาอวดอ้างอย่างนั้นเอาเอาเอาของท่านไปเรายังไม่รู้เราทำของเราเองทำสบายะบา ย, บายรอได้คอยได้อย่าเปรียบเทียบอย่าสมมติบัญญัติหรืเขาดีกว่าเราเราเร็วกว่าเขาเราเสมอเขาเขาเสมอเราก็าอย่าไปวัดไปเบี่ยงกันนะอย่าไปประเมินตัวเอง ไปไม่ถึงไหนหลวงพ่อจะไปไดยังไปไหไยื่เนี่ยรู้สึกตัวรู้สึตตัวเนี่ยนี่ปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่จะไปตาไปตาปะไม่ใช่จะไปเอาขั่ ว, า น, า น, วนั่นคัวนี่เห็นใครพูดก็จำเอาไปไปพูดไปคิดมันก็เนินช้าเอาการกระทามปฏิบัติไป ลู่จ็กตัวไปลู่จ็กตัวไปเนี่ยทําไปเล่นไปกําลังเท่าเท่านี้อย่าหลังพ่อเวลานี้ก็ทํางานกําลังเท่านี้ก็ทําเท่านี้แหละทําไปแล้วทุกวันเสร็จทุกวันทำอะไรก็เสร็จไปทุกวันทกวันอันนี้ว่าจะไปซื้อวารากอเห็นผลตกดีมาผูไม่มีสักต้นเลยได้ไม่ได้แล้วผู้นี้อาจารย์ตรองมาจะพาไปเช่ยพรมจะปลองไปเชี่ยพรมลอง ต้องให้อดขยะโอ้ไม่อดไม่อย่ยะถ้าเราผขกต้องสวนพวไม่ต้องโขอดผักนั้นไม่ขี่ต้องอยู่เนอะไม่ต้องอดเนี่ยแล้วพ่อก็พูดให้ฟังนะก็ อ, อะไรต้องพูดมากต่อเนาะพูดว่าหลายมันไม่ดีมันน้ำท่วมทุ่งวักวุ้งหลงเหลงคดีก็อาจารย์เดจิตวาย